คําว่ายาวะเทวะเนี่ยนะก็คือมีความหมายตามที่กล่าวแล้วก็คือเพียงเพื่อใช่ไห ม, ไหมครั้งก่อนที่กล่าวบอกว่าเออบริโภคอาหารเนี่ยเพียงเพื่อ<ม>เพียงเพียงเพื่ออะไรก็บอกว่าคือเพียงเพื่อความดํารงอยู่ได้แห่งกายนี้นะในวิสุทธิมรรคหน้าหนึ่งร้สิบสองนะเขาบอกว่าแห่งกายนี้เนี่ยนะเพื่อความดํารงอยู่ได้แห่งกายนี้ ตอนตอนต้นก่อนเนี่ยปฏิเสธการบริโภค4ี่อย่างใช่ไหมปฏิเสธว่าไม่บริโภคเพื่อเพื่อมัวเมาไม่ได้บริโภคเพื่อเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาไม่ได้บริโภคเพื่อประดับเพื่อตกแต่งเอาแล้วบริโภคเพื่ออะไรล่ะอันนี้ยาวะเทวะเพียงเพื่อดํารงอยู่ได้แห่งกายนี้ก็บอกว่าดํารงอยู่ได้แห่งรูปปากายที่ประกอบด้วยมหาพูทธสี่นะคือรู ป, ปากายที่ที่ อาศัยมหาพูดสี่ใช่ไหมรูปประกายเหล่านี้ทั้งหมดเขาบอกว่าคาว่าแห่งรูปประกายในที่นี้ก็คือประชมแห่งสันตติรูปสี่คือร่างกายของเราเนี่ยนะประชมแห่งสันตติรูปทั้งสี่ทั้ง4ี่ในที่นี้หมายถึงรูปทั้งสี่สมุทฐานเนี่ยนะในรูปทั้งสี่สมุทฐานเหล่านี้จะดํารงอยู่ได้อาศัยอาหารที่บริโภคเข้าไปเนี่ยนะกรรมมาชรูปเหมือนกันกรรมมชรูปถ้าขาดอาหารอยู่ได้ไหมไม่ได้ จิตตรูปเนี่ยนะถ้าหากว่าขาดอาหารจิตตะรูปบางอย่างก็ไม่เกิดนะหรือจิตตรูปนั้นจะไม่มีกำลังเด็ดขาดเลย อ, อุตูชูปก็เหมือนกันนะหรืออาหารชรูปเนี่ยนะถ้าขาดอาหารที่เข้าไปหล่อเลี้ยงเนี่ยร่างกายนี้ก็จะดำรงอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าโดยธรรมดาทั่วไปเลยนะขาดอาหารทั้งหมดเลยนะไม่รับประทานเข้าไปเลยเจ็ดวันเนี่ยเรียบร้อยเน่ตายแน่ะนะ ถ้านน้ำก็ไม่รับอะไรก็ไม่รับเข้าไปเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะอันนี้ประมาณเจ็ดวันถ้าคนทั่วไปถ้าคนที่อบรมฝึกจิตมาก็อาจจะเลยนั้นไปเนีย่ยนะแต่อย่างพระพุทธเจ้านี่49วันไม่ต้องบริโภคเลยเนีย่ยนะตอนที่แรกตัสรู้ใหม่ๆนะแต่ว่าอาศัยความสุขอย่างอื่นมาหล่อเลี้ยงไว้นะเนีย่ยนะเพราะต้องจิตต้องมีกำลังจริงๆจึง จ, ง จ, ง จ, งจงัอยู่ได้แต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วไปแล้วอาหารเข้าไป ทำให้รูปประกาเนี่ยนะทั้งสี่สมุทฐานเนี่ยดำรงอยู่ต่อไปได้ทั้งกรรมมสมุทฐานจิตตสมุทฐานอุตตูสมุทฐานและอาหารสมุทฐานในรูปทั้งในกรรมมาชรูปเนี่ยนะถ้าลำพังเขาเนี่ยขาดสมุทฐานสามที่เหลือคือขาดจิตตชรูปอุตตูชรูปอาหารชรูปเาอยู่ไม่ได้อกอาหารชรูปจิตตชรูปอุตตูชรูปถ้าไม่มีกรรมชรูปเขาก็ อยู่ไม่ได้ก็จะแปลสภาพไปเหลือแค่อุตุชรวบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นซากศพเนี่ยนะซากศพมีสมุทฐานเดียวคืออุตุสมุทฐานอย่างเดียวเท่านั้นเองต่อไปว่าคําว่าเพื่อความตั้งอยู่ไดเห็นไหมคือไม่รู้ภาษาไหนกลับไปกลับมานะเขาบอกว่าแห่งกายนี้เพื่อความตั้งอยู่ไดนะถ้าถ้าบาลีนี่เขาจะพูดแบบนี้นะแต่เขาพูดแบบไทยก็เพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ ก็บอกว่าเพื่อความตั้งอยู่ได้ก็คือเพื่อความตั้งอยู่ต่อเนื่องกันไปให้สันติ เ, เนี่ยนะสืบเนื่องกันไปนั่นเอง <c oughs> คำว่าเพื่อความเป็นไปได้คือเพื่อความเป็นไปได้ไม่ขาดสายแห่งชีวิตตินซีเนี่ยนะก็จะทำให้ชีวิตตินซีเนี่ยดำรงสืบเนื่องแบบไม่ขาดสายหรือเพื่อความตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน ให้ร่างกายรับรงอยู่ได้ตลอดการละนานถามว่านานแค่ไหนก็นานอายุกับหนึ่งเขงอายุกับของใครก็ของใครนะสมัยนี้อายุกับสมบูรเท่าไหร่ดีอดเอาเก้าสิบเลยนะเกา้าสิบนะอา่ า, า, อาแล้วแต่ใครอ่ะนะเพราะบางคนงากกา น, ะนาาี่ไม่ถึงเจ็ดิบห้าเลยสิบห้าก็ตายไปแล้วนะหลานมาตายตั้งแต่อายุไม่ถึงยี่สิบเลยเพราะอะไรเพราะว่าเอาแน่นอนที่ไหนแหะ แต่ถ้าโดยธรรมดาแล้วเนี่ยนะถ้าไม่มีอุบัติเหตุไม่มีปัจจัยอย่างอื่นมาบีบคั้นมาทําลายหรือว่าไออุปคะอุปเชษถ้กรรมไม่มาตัดรอนนะก็ดํารงอยู่ได้ตลอดกลับนนแหละจนกว่าจะเยียวยากันไปเรียกว่ามันแตกหักมันไปข้างนึงอนะที่จริงภิกษุนี้ย่มอมเสพบินฑบาตเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายและเพื่อความเป็นไปได้ดุจเจ้าของเรือนเก่าทําการค้าจุนเรือน เรือนมันจะพังไม่พังแหละนะเอาไม้ไปคำ้ำไม่ก็ดํารงอยู่ต่อไปได้นะถ้าท่านอุปมายอย่างนี้นะบางทีเรานึกไม่ค่อยออกอ่ะหัวเราแข็งแรงจนใช่ไหม เ, เหมือนกับไม้ค้ำเรือนไนดะ้ยังไงไม้ค้ำเรือนเก่าๆเนี่ยมันก็โยกนะเอาไม้ไปค้ำมันก็ตั้งอยู่ได้อาหารเนี่ยนะลองขาดดูสักสองมือนะลองรักษาอุโบสถสักสามวันดูสิเห็นไหมไชักไหม่ๆเนี่ยนะอุโบสถวันหนึ่งก็พอได้อุโบสถวันที่สองเนี่ยกะชักยุ่งเลยนะ หรือถ้าหากว่ารับประทานอาหารน้อยๆเข้าไปหลายๆอุโบสถในชักชักไม่ค่อยดีแล้วนั่นแหะจนกว่าร่างกายมันจะปรับตัวอยู่ได้หรือว่าวันนี้นะไอ้พุ่งนี้ลองไปรับประทานอาหารสักสิบสองสิบสองนาฬิกานะหรือบ่ายโมงอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็เอยมันเรือนเก่าจริงๆเลยนะหมดไม้ค้ำอ่ะมันง่อนง่นงอนงอนแล้วนะโอ้ยเดินเนี่ยเบาวิวเคยอดแล้วเดินเนี่ยเบาวิววิวต่อของวดต่อไปนะก็บอกว่า ที่รับประทานเข้าไปนี่นะเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อความเป็นไปได้ก็ดุดนายเกวียนทําการหยอดเพลาเกวียนฉะนั้นเนี่ยนะเพื่อให้เกวียนได้ใช้งานได้นานเนยหยอดเพลาเกวียนอ่ะนะถ้าของเราสมัยใหม่ก็คือเหมือนหยอดน้ามันเครื่องอะเนาะหมือนกับหยอดน้ำมันเครื่องนั่นแหละไม่ใช่เสพเพื่อเล่นเพื่อโวเมาเพื่อตกแต่งและเพื่อประดับคือ สรุปแล้วว่าบริโภคเว้นจากสี่อย่างใช่ไหมบริโภคเว้นจากสอย่างแล้วบริโภคเพื่อดํารงอยู่ได้และเพื่อความเป็นไปได้ตอนต้นก่อนให้ร่างกายนี้ดํารงอยู่ได้ก่อนแล้วก็ให้ร่างกายนี้เป็นไปได้นะนะอีกนัยหนึ่งเพื่งทราบคําว่าทิติคําว่าทิตินี่แปลว่าตั้งอยู่หรือว่าธรรมชาติเป็นเหตุให้ตั้งอยู่เนี่ยนะนี้เป็นชื่อของชีวิตดินสี่นะ เพราะเหตุนั้นด้วยคําเพียงเท่านี้ว่าเพื่อความตั้งอยู่ได้เพื่อความเป็นไปได้แห่งกายนี้ดังนี้ <S <S <S ก็มีอธิบายว่าเพื่อการยังชีวิตดินทรีของกายนี้ให้เป็นไปได้ดังนี้ก็ได้เห็นนะอันในที่2ก็คือบริโภคให้ชีวิตินทรีเนี่ยเป็นไปได้เหน็นนะในย่าแรกก็คือให้สันตติรูปทั้ง4เนี่ยเป็นไปอยู่ได้ในย่าที่สองเขบอกว่าเพื่อให้ชีวิตดินทรีนี้ดํารงอยู่ได้ เพราะเหตุนั้นด้วยคําเพียงเท่านี้เพื่อความตั้งอยู่ได้เพื่อความเป็นไปได้แห่งกายนี้ดังนี้ก็มีอธิบายว่าเพื่อการยังชีวิตดินรีของกายนี้ให้เป็นไปได้ดังนี้คําว่าเพื่อความระงับเบียดเบียนเนี่ยนะคาว่าความเบียดเบียนก็คือความหิวชื่อว่าความเบียดเบียนเบียดเบียนก็คือเสียดแทงนะนะความหิวเนี่ยมันทั้งเบียดเบียนทั้งเสียดแทงคดีนก็บอกว่า ชี้ขาดาประมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งครับงั้นนะเป็นโรคที่เรื้อรังไม่มีใครรักษาหายนะหายก็เป็นพักๆกันนะเหมือนกับกินยาแก้ปวดไปก็หายไปแป๊บเดียวแต่ว่าไม่มีใครรักษาไอ้โรคคือความหิวได้ยาวตลอดไป น, นะเหมนงั้นก็น่าจะมีพ่อครัวที่ฉลาดทำอาหารสักแคปซูลหนึ่งอ่ะ น, นะแล้วก็อิ่มตลอดไป เป็นไปไม่ได้เทวดานี่นะถ้าหากว่าลืมบริโภคก็ตายนะเทวดาเนี่ยมาอ้อยอิอยงอ้อยเอีอยงเนี่ยนมนุษย์ตั้งเจ็ดวันเนี่ยเทวดานี่ลืมมือหนึ่งเนี่ยนะผ่านมือหนึ่งไปฟรีๆเนี่ยไม่ได้รับประทานเลยก็เดี๋ยวก็เสร็จแล้วตายแน่นอนเ <c oughs> พราะอาจว่าทําให้เจ็บป่วยนะความหิวเนี่ยนะเป็นเหตุให้เจ็บป่วยอย่างอื่นต่อๆไปด้วยอีกนะก็ภิกษุนี้ย่อมเสพ บ, บิณฑบาตเพื่อระ ง, งับความหิวนั้น เช่นเดียวกับความเป็นแผลนะหรือว่าคนเป็นแผลใช้ยาทาแผลและเช่นเดียวกับเมื่อความร้อนความเย็นเกิดขึ้นก็ใช้ยาแก้ความร้อนความเย็นฉะนั้นไอ้ความหิวเนี่ยเป็นโรคอ่ะนะเพราะฉะนั้นอาหารที่รับประทานเข้าไปก็เข้าไปเยียวยาเข้าไปรักษาช่วระยะหนึ่งระยะหนึ่งให้เป็นไปนะและประโยชน์ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ บรมจริยานุขหายะเนี่ยนะบรหมจริยาก็คือพรหมจรรยานุขหายะก็คืออนุเคราะห์พรหมจรรย์คําว่าเพื่ออนุเคราะห์ก็คือให้ถึงพร้อมศาสนาพรหมจรรย์ทั้งเส้นและมัคคพรหมจรรย์คําว่าอนุเคราะห์พรหมจรรย์เนี่ยนะพรหมจรรย์มีสองอย่างเฉพาะข้อความในวิสุทธิมัทยท่านยกมาคือศาสนาพรหมจรรย์กับมัคคพรหมจรรย์ คําว่ า, าศาสนาพรหมจรรย์เนี่ยนะคืออนุสาสนีอันบริสุทธิ์อันเป็นคําสอนที่สงเคราะห์ด้วยศิกขาสาเว้นมขพรหมจรรย์ทั้งหมดนั้นเป็นาศาสนาพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์เฉพาะตรงนี้มีสองนะคือาศาสนาพรหมจรรย์กับมขพรหมจรรย์ที่ต่ํากว่ามขพรหมจรรย์งลงมาเป็นาศาสนาพรหมจรรย์เนี่ยนะอริยมรรยนี้เป็นชื่อของมคพรหมจรรย์ ดังการรับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยนะเพื่อให้อ่าเข้าไปอนุเคราะห์พรหมจรรย์เหล่านี้นะทั้งศาสนาพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์จริงอยู่ภิกษุนี้อาศัยกําลังกายเพราะการเสพ บ, บิณฑบาตเป็นปัจจัยปฏิบัติเพื่อก า, การข้ามพบกันดานซึ่งด้วยอํานาจการประกอบเนืองๆในสิกขาสาชื่อว่าย่อมเสพเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ นะคือรับประทานอาหารเข้าไปแล้วก็จะได้อนุเคราะห์อธิศีละสิกขาสรงเคราะห์อธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาถามว่าถ้าหากว่าไม่บริโภคอาหารเข้าไปนี่นะสิกขาสามจะอยู่ได้ไหมล่ะนะลองหิวหิวดูนะหิวหิวแล้วก็เจริญกรรมฐานดูนะแต่รังหิวเต็มที่เลยนะ <S <S ท้องไส้เนี่คุขขกคัขขกคุกคและเจริญกรรมฐานได้นี่ก็อยอมรับว่าเก่งมากเนี่ยนะ โอ้ยขันธาตุอายตนะปรากฏโดยความเป็นโรคเป็นฝีเป็นดังโรกซอมเนี่ยโอ้เก่งมากเลยนะโอ้เบียดเบียนอย่างนี้เองเอนะแสดงว่าใกล้ถึงฝั่งล้วเขาบอกว่าดุจภริยาสามีผู้มีความต้องการข้ามทางกันดารกินเนื้อบุตดเห็นไหมอาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยนะเมือกับว่าเออทางกันดารเนี่ยถ้าหากว่าไม่กินก็อดตายเสเบียงอย่างอื่นก็ไม่มีมีแต่เนื้อลูกที่กําลังตายไปนี่แหละ ถ้าไม่กินอย่างนี้เราจะอยู่ได้อย่างไงนะตัก็ไม่ได้อยากกินเลยนะโดยกิเลสตัณหานี่ไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าไม่รับประทานเข้าไปเนี่ยนะกายนี้จะอยู่ได้อย่างไรเนี่ยนะก็ไม่ข้ามไม่สามารถที่จะข้ามทางกันดา n ไปได้ดุดชนผู้มีความต้องการข้ามแม่น้ำก็ใช้แพข้ามใช่หและดุดชนผู้มีความต้องการข้ามทะเลใช้เรือฉะนั้นเนี่ยนะสามอุปมานีว่า การรับประทานอาหารเนี่ยนะเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เหมือนกับแม่กินเนื้อบดนะพ่อแม่กินเนื้อบุตรเพื่อข้ามทางกันดารใช้เรือเพื่อข้ามใช้แพเพื่อข้ามแม่น้ําใช้เรือเพื่อข้ามทะเลนไนะเพราะบางทีเนี่ยนะคำว่าเรือคําว่าแพเป็นชื่อของศิกขาสารเหมือนกันนะแต่ในที่นี้หมายถึง หมายถึงอาหารที่เข้ามาให้กายนี้ดำรงอยู่ได้ท่านอธิบายว่าเล็งถึงความสำเร็จประโยชน์นั้นๆอย่างเดียวเท่านั้นเห็นคือเล็งถึงประโยชน์ของการรับประทานอาหารว่าที่รับประทานเข้าไปทุกวันเนี่ยเพื่ออะไรใครเคยตั้งคำถามไหมว่าเออมือนี้ที่มารับประทานเนี่ยเพื่ออะไรนะถ้าใครตั้งคำถามได้นี่ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วเพราะว่าปริปุชาการไตาถามเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อความเจริญ ง, งอกงามแห่งปัญญาว่า แต่ถ้าไม่เคยทิดเลยนะไม่เคยตั้งคาถามเอ๊ะรับประทานไปทําไมเนี่ยแต่ถ้าอย่างนี้ก็ก็คิดซะไหนเะนี่ยอขาศากสกะสัมปชัญญะเลยยังไม่รู้เลยว่ารับประทานไปทําอะไรมันหิวอะ่ะแต่เพราะอยากเหรอแต่เพราะอยากก็ส่งเสริมโลภะไปไม่เป็นไรได้กินอีกนานถ้ายิ่งอยากมากก็กินอีกนานเนี่ยไม่มีสิ้นสุดกขาบอกว่างั้น เอาสมมติว่าเพราะความติดใจในรถมากๆกเนี่ยนะมันมีไม่ได้ไม่ได้พูดกระทบกระทั่งนะเพียงเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆโดยหลักธรรมแล้วคือพวกที่บริโภคอาหารที่ติดใจในรถมากๆตายแล้วไปเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นพวกวัวเนี่ยนะพวกวัวพวกใครกินได้ทั้งวันทั้งคืนกินจริงๆแมนะโอ้ยเคี้ยวได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยกลางคื น, นได้ยินเสียงวัวเคี้ยวแล้วกับ กับกับกับบางทีมันเคี้ยวนะมันสารอกออกมาแล้วเคี้ยวต่อยเคี้ยวเอื้องนะนะถ้าหากว่าติดใจในรถก็จะเป็นลักษณะนั้นเป็นผู้ไม่มีความยินดีพอใจเสพซึ่งเนื้อบุรเป็นต้นเนี่ยนะคือคนที่กินเนื้อบุรเนี่ยนะไม่ได้ยินดีไม่ได้พอใจแต่เล็งถึงประโยชน์ที่ที่จะทาที่จะเกิดขึ้นจากการบริโภคเนื้อบุร จำใจกินก็เพราะถ้าเว้นจากเนื้อบุตรเป็นต้นนั้นก็จะไม่สำเร็จการข้ามทางกันดานในข้อนี้ฉันใดแม้โยคีนี้ต้องการจะข้ามทางกันดานคือพบอย่างเดียวก็ฉันนั้นเป็นผู้ไม่มีความใคร่ไม่มีความพอใจก็จำเป็นจะต้องเสพเฉพาะซึ่งบินทบาทเพราะเว้นจากบญทบาทนี้การข้ามทางกันดานคือพบก็จักไม่ สำเร็จเนี่ยนะไปรีบอดให้ตายซะหมายยังก็ว่าตายแล้วก็จะบรรลุโลกุตระธรรมได้อย่างานั้นนะการบรรลุโลกุตระธรรมไม่ใช่เกิดจากการอดแต่ก็จะต้องรู้จักสปายะเนี่ยนะจะต้องรู้จักอาหารสปายะ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> เห็นประโยชน์ที่ชัดเจนของการบริโภคอาหารเลยนะตอนต้นก็พูดถึงว่าบริโภคเว้นจาก4ประการแล้วก็ ประโยชน์ที่สำคัญก็2 อ, อย่างก็คือเพื่อให้ดํารงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อความเป็นไปได้แห่งกายนี้เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ต่อไปว่าโ ด, โดยประการอย่างนี้นะหรือด้วยประการอย่างนี้เราจักกาจัดเวทนาเก่าคือความหิวและจักไม่ยังเวทนาใหม่นะนะที่กินมากเกินไปให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกินต้องกินเว้นโทษ2 อ, อย่างนี่นะกินเพื่อบําบัดเวทนาเก่าส่วนหนึ่งและกําจัดไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความว่า พิกสุคิดว่าโดยประการอย่างนี้คือโดยการเสพบิญทบาทนี้เราจะ ก, กำจัดเวทนา ค, ค, คือคือความหิวเก่าเพราะถ้าหากว่าไม่ได้บริโภคเนี่ยหิวใช่ไหมอัน น, นก็บริโภคเข้าไปก็จะบาบัดไอเวทนาอันนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นประโยค่าสมบัตินะประโยค่าสมบัติเนี่ยทำให้ทุกขากายะวิญญาณที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหมดไป บางทีประโยชนคสมบัติเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเออวันนี้ประโยชนค่าสมบัตินะ น, นะอกุศลเลยไม่ให้ผลเลยใช่ไหมและจากไม่ยังเวทนาใหม่คือบริโภคเกินประมาณเนี่ยนะอันมีการบริโภคเกินประมาณเป็นปัใจจัยให้เกิดขึ้นเหมือนอย่างพราหมณ์ที่ชื่อว่าอาหารออาหารหัตกะพรามณ์ชื่อว่าอัลังสากตะพราหม์ชื่อว่าตัถาวะตะกะพราหมณ์ชื่อว่ากากรารมาสกะพรามณ์ชื่อว่าพุทะวมิตกะ คนใดคนหนึ่งดังนี้ก็ไอ้ชื่อพรามห้าคนนีน่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมจึงได้ชื่อชื่อดังเหลือเกินเนี่ยนะต้องเขียนมาเป็นคำภีเลยมีพิเศษยังไงแต่กระตกรามนี่แหละก็บอกว่าอาหารตกะก็คือพรามที่บอกว่ากินเสร็จจะช่วยฉุดมือลุกขึ้นทีเท่านันถขาบอกว่าพรามคนใดบริโภคมากเมื่อไม่อาจลุกขึ้นโดยธรรมดาของตนได้ก็ต้องพูดว่า จงช่วยมุดช่วยฉุดมือทีดังนี้พราหมณ์นี้ชื่อว่าอาหารฮารัตกะก็บอกว่าพราหมที่เรียกว่าช่วยฉุดมือทีอย่า ง, งั้นกินเสร็จแล้วคือทานในพื้นใช่ไหมไม่ใช่เก้าอี้เนี่ยนะต้องนึกภาพว่าเขานั่งในพื้นทานอาหารแบบโบราณ น, นะแล้วถ้าทานเสร็จปั๊บเนี่ยนะช่วยดึงมือขึ้นหน่อยอะนะยน <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าพรามณใดบริโภคแล้วแม้ลุกขึ้นก็ได้ ลุกขึ้นได้ก็ไม่อาจจะนุ่งผ้าสาดกได้เพราะมีท้องพลุ้ยเกินไปพราหมณ์นี้ชื่อว่าอลังสาพตะก็บอกว่าอย่าผ้าต้องคลายถ้าพระก็บอกต้องคลายรับตะโคดอีกเยอะเลยนะนะก็บอกว่าอย่าไปรับประทานแบบนั้นนะพรามณใดบริโภคแล้วไม่อาจลุกขึ้นกลิ้งเกลือกไปมาในที่นั้นนั่นเองพรามนั้นชื่อว่าตัดถาหาวัตะกะกินแล้วก็กลิ้งอยู่กับที่นั่นแหะกินเสร็จแล้วกลิ้งเลยนะโอ้ยอย่าไปขนาดนั้นนะ พรามคนใดกินอาหารจนล้นถึงทวารปากโดยที่กาอาจจะจับได้พรามนี้ชื่อว่ากากมาสกะกินจนกาเนี่ยนะจับปากระวางัันกินจนอ้าปากค้างเคี้ยวแล้วก็ยังมีเม็ดข้าวนะกานี่มาบินเอาไปจิกกินต่อไปได้นะกินขนาดนั้นเลยนะพรามคนใดบริโภคแล้วไม่อาจอุบไว้ในปากได้ต้องคายออกมาในที่นั้นนั่นเองกินเสร็จ ก, ก็อาเจียนออกกันนะ พรามนี้ชื่อว่าพุทธะวมิตรกะเนาพรามกินแล้วต้องคายข้าวออกจึงจะไปต่อได้นะก็บอกว่าเหมือนกับพรามเราเ่านี้คนใดคนหนึ่งก็บอกว่าอย่าไปรับประทานขนาดนั้นเลยนะอีกอย่างหนึ่งเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้บริโภคเป็นปัจจัยชื่อว่าเวทนาเก่าย่อมเสบบินทบาตนั้นด้วยคิดว่าจักบรทาเวทนานั้นเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะบริโภคเกินไปเป็นปัจจัยชื่อว่าเวทนาใหม่ ย่อมเสพบิณฑบาตนั้นด้วยคิดว่าจาักไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นอีกอย่างหนึง่งเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้บริโภคเป็นปัจจัยชื่อว่าเวทนาใหม่ย่อมเสพเพื่อไม่ให้เวทนาใหม่ที่ยังไม modes, ağı, ่เกิดเกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นอันหนึ่งคำว่าเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้บริโภคเป็นปัจจัยเป็นคาขยายของความหิว เพื่อแสดงถึงความหิวที่จะไม่เกิดอันจะพึงทําได้ด้วยการบริโภคนั้นบรรดาเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้บริโภคเป็นปัจจัยก็ดีเพราะได้บริโภคเป็นปัจจัยก็ดีเวทนาที่มีความหิวเป็นเหตุนะนะตามที่เป็นไปเป็นเวทนาแรกคือเวทนาเก่าเพราะเวทนานั้นย่อมเกิดขึ้นโดยเพิ่มขึ้นยิ่งยิ่งแก่ผู้ไม่ได้บริโภคนะถ้าไม่หิวเนี่ยนะเออถ้าหิวแล้วถ้าไม่ไม่ รับประทานเข้าไปความหิวจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เ, เวทนามีเวทนาที่เผาอวัยวะและเป็นเหมือนหลาเสียดแทงไปต้นที่มีความหิวเป็นเหตุแม้มีในภายหลังก็ไม่เกิดขึ้นนะบางคนเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ได้รับประทานเนี่ยลมมันตีขึ้นเหมือนเหมือนมีใครเอาอะไรไปแทงไว้เลยนะเพราะเวทนานั้นที่ยังไม่เกิดขึ้นในการก่อนเลยก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะเหตุได้บริโภคแล้วฉะนั้นเวทนาเหล่านี้มีความแตกต่างกันดังกล่าวมานี้ก็ความที่เวทนาเหล่านี้มีความเบียดเบียนเป็นเหตุมีความแตกต่างกันเพราะความเบียดเบียนเห็นไหมว่าถ้าเวทนาเก่าก็จะเบียดเบียนถ้าหากว่าไม่บริโภคเข้าไปเนี่ยนะมันจะเบียดเบียนมากขึ้นมากขึ้นถ้าเวทนาใหม่ล่ะถ้าบริโภคเกินไปเป็นต้นเนี่ยนะมันก็จะเบียดเบียนเหมือนกัน ก็ว่าหาความพอดีให้พบกันแล้วกัน <c oughs> ต่อไปนะในหน้าหนึ่งสบต่อไปกล่าวว่าอีกนัยหนึ่งเพึงทราบความหมายในข้อนี้แม้อย่างนี้ว่าเวทนาใดาเรียกว่าเวทนาเก่าเพราะอาศัยโภชนะที่ไม่เป็นส ป, ปายะและการบริโภคเกินประมาณจึงเกิดขึ้นเนี่ยนะในปัจจุบันนี้ด้วยอำนาจกรรมเก่าเป็นปัจจัยคือ ไอเวทนาเก่าเนี่ยนะเมื่อเรารับประทานอาหารที่ไม่เป็นสปายะคือไม่ถูกกับกับโรคใช่ไหมไม่ไม่เป็นที่สบายกับร่างกายเช่นคนธาตร้อนก็ไปไปรับประทานประเภททุเรียนมากๆเลยนะนะทุเรียนปลาแค่สัก10เม็ดเนี่ยนะเป็นคนร้อนอยู่แล้วเนี่ยไอธาอย่างนี้ก็ไม่สปายะแล้วหนักขึ้นไปอีกถ้าหากว่าหรือบริโภคเกินประมาณแล้วก็กรรมเก่าในอดีตเนี่ยเล่นงานเต็มที่เลยแหละ ประโยค้าววิบัติแต่ถ้าไม่รับประทานก็ประโยควิบัติอีกเหมือ่กันปล่อยให้เวทนาอันนี้เกิดขึ้นนะถ้าไม่รับประทานาเราเมื่อยังปัจจัยแห่งเวทนาเก่านั้นให้พินาศไปด้วยโภชนะที่เป็นส ป, ปายะและที่บริโภคเป็นประมาณชื่อว่าจักกำจัดเวทนาเก่านั้นด้วยเมื่อรับประทานเข้าไปอย่างนี้นะทุกขกายจวิญญาณก็ไม่ได้ปัจจัยใช่ไหมไม่ได้โพธพะเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้น ส่วนเวทนานี้ไดเรียกว่าเวทนาใหม่เพราะอาศัยการก่อกรรมคือการบริโภคที่ไม่สมควรซึ่งภิสุทำไว้ในปัจจุบันนี้แล้วเกิดขึ้นในการต่อไปเห็นนะเคยบริโภคจนถึงกับว่าโหท้องไส้มีปัญหาเลยนะเรียกว่า่เช่นรับประทานอาหารที่ไม่เป็นส ป, ปายะใช่ไหมทั้งถ่ายทั้งอาเจียนเนี่ยนะบางคนทิทานอาหารบางอย่างแล้วแพ้เป็นผื่นไปทั้งตัวเป็นต้นเนี่ยนะ เราเมื่อไม่ยังมูลแห่งเวทนานั้นให้บังเกิดด้วยอำนาจการบริโภคที่สมควรนะตอนนี้ถ้าบรรพชิตก็ต้องบริโภคพอสมควรแก่บรรพชิตนะชื่อว่าจากไม่ยังเวทนาใหม่นั้นให้เกิดขึ้นด้วยกบอกว่าไอการบริโภคที่สมควรคือบริโภคอย่างไรก็คือบริโภคด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาแล้วบริโภคปัจจัยทั้งหลาย ไม่ยังกรรมคือการบริโภคที่ไม่ชอบอันเป็นมูลเหตุแห่งเวทนาใหม่นั้นให้บังเกิดคือมิให้เกิดเป็นทุกสิ่งทุกประการเนี่ยนะไม่ให้ความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นนะนะรับประทานเพื่อที่เป็นอาหารส ป, ปายะใช่ไหมเกื้อกูลต่อพรหมจันทร์เกื้อกูลต่อมรรคพรหมจันทร์และศาสนาพรหมจันทร์ก็ด้วยคำพูดมีประมาณเท่านี้ เพียงทราบว่าเป็นอันทรงแสดงการสงเคราะห์เอาอาการบริโภคที่สมควรบริโภคที่สมควรแบบนี้นะเป็นการละอั ต, ตกิละมัทานุโยกนะการบริโภคอาหารเนี่ยนะถูกหลักต้องตามคำสอนเนี่ยชื่อว่าไม่เป็นการเป็นอั ต, ตกิละมัานุโยกแต่ถ้าปล่อยให้หิวว่างั้นอ่ะดูมันให้มันหิวให้จับจบัอย่างเงี้ยทรมานเข้าไปเอาให้มันเต็มที่ประเภทนี้เนี่ยส่งเสริมอั ต, ตกิละมัานุโยกนะ และก็เป็นการไม่ละสุขอันประกอบด้วยธรรมไว้อย่างบริบูรณ์เขาบอกว่าเอ๊ะการบริโภคอาหารเนี่ยนะเป็นได้รับความสุขที่ชอบทำด้วยหรือถามว่าเป็นอย่างไรก็คือเพราะตรัสการกําจัดทุกมีทุกคือความหิวเป็นต้นไอ้ความทุกข์กายวิญญาณประเภทนั้นก็กําจัดออกไปและย่อมเป็นอันทรงแสดงความไม่ละเลยสุขอันชอบธรรมเพราะไม่สละสุขทางกายกายยิ่สุขเนี่ยนะทให้เกิดสุขอะไรต่อไป สุกกายก็เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขแต่ฌานเป็นต้นถ้าหากว่าเวทนาไม่เบียดเบียนเนี่ยนะทุกอร่างกายที่เป็นไปดีเนี่ยนะเป็นไปได้เนี่ยเป็นปัจตูที่สำคัญต่อฌานาจิตมากมีพระหลายรูปในสมัยพุทธกาลท่านบำเพ็ญฌานเนี่ยนะบำเพ็ญฌานได้ฌานทีนี้สุขภาพไม่เอื้ออานวยเนี่ยนะร่างกายมันไม่ค่อยดีสุขภาพไม่ดีป่วยเลย พอป่วยนยีชานเสือ่อมอะนะรักษาโรคจนหายเจริญชานใหม่ได้ชานอีกป่วยอีกเสื่อมอีกอะ น, นะเป็นอยู่อย่างนี้หลายครั้งจนมีครั้งหนึ่งตัดสินใจครั้งสุดท้ายแล้วว่าถ้าตอนได้ชานเนี่ยนะจะเอามีดโกนมาตัดคอเขาว่ากันมันมันจะได้ไปให้เพราะว่าถ้าหากว่าไปเสื่อมตอนที่ป่วยแล้วไปตายตอนป่วยที่ชานไม่มีเนี่ยไปไม่ดีแน่ท่านตัดสินใจแบบนั้นเลยพอได้ชานแล้วก็ตัด คอและก็นิมิตปรากฏสังเวทใจเจริญวิปั ส, สนาเป็นพาหันเลย น, นะมีองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ร่างกายนี้มีความสำคัญมากนะสุขภาพเนี่ยทุกขกายวิญญาณหรือสุขากายวิญญาณเนี่ยนับเป็นปรตูปะนิสยาตัดใ จ, จที่สำคัญมากต่อกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะก็ที่ดูนะคนสุขภาพดีกับสุขภาพไม่ดีเนี่ยนะถ้าความสามารถพอกันนะ สติปัญญาเท่าๆกันอีกคนหนึ่งสุขภาพดีอีกคนหนึ่งสุขภาพไม่ดีถามว่าใครกุศลจิตเกิดง่ายกว่านะคนที่สุขภาพไม่ดีเนี่ยนะเขาจะได้รับปฏิฆานิมิตบ่อยทุกขเวทนาเนี่ยนะเป็นปฏิฆานิมิตเป็นปัจจัยเป็นเหตุใกล้ที่สําคัญมากต่อการเกิดขึ้นของปฏิฆานุสัยของโทสะอันโทสะก็จะสะสมมากขึ้นพอกพูนมากขึ้นนั้นคนที่ป่วยนานๆจะเป็นคนงดเงิยบง่ายกว่าคนธรรมดา เขาจิตใจเขาไม่ค่อยดีนักเพราะว่าได้รับปฏิฆานนมิตตลอดอทุกขเวทนานี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของโทศักถ้าใครได้รับทุกขเวทนาบ่อยๆได้รับอกุศลวิบากมากๆคนเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นประเภทโทศัก